Book two. f o r t y f o u e r e a f e r ไปเที่ยวกลางคืน Go out um on a f t o n u n ที่นี่มีดิสโกเทกไหม Er her et diskotek. ที่นี่มีไนท์คลับไหม ที่นี่มีผับไหมย่ัยันนี้ที่โรงละครมีอะไรวยันยนนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรวยนยันบบนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Hvad er der i fjernsynet i aften? Yngre er d e t d i l l e t t e r til t e i k r e t Yngre er der stadig billetter til t e a g r a f e n Yngre er d u n a d g billetter til b i o g r a f e r der stadig billetter til biografen? j y n g m i b a r der o t b i l l e t e i k i l b i o g r a f e r der stadig billetter til f o b o l g k a m p e n ผมต้องการนั่งข้างหลังผมต้องการนั่งตรงกลางดผมต้องการนั่งข้างหน้าผมต้องการนั่งข้างหน้าคุณช่วยแนะนออคุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม การแสดงเริ่มเมื่อไหร่วันนี้ไปเกินเอาโฟร์สตีลเงคุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหมแ่านี้มีสนามกอล์ฟไหมแถวนีมีสนามเทนนิสไหมแถวนี้มีสนามเทนนิสไหม แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมแอร์ทานสวมหัลในอิ